ฉันที้เริ่มคิดถึงวันที่ฉันเคยอยู่ข้างเธอกอดเธอไว้จนกว่าฝนซาฉันคงทำได้เพียงแค่ผา เ, เขาเธอทำแบบที่ฉันทำไหมในวันที่ฝนวันมาไม่ใคร้ กข า, ายฉันเคยทำได้ทำในความเงาไกลยต่ ว, วันที่ดีนั่นกลับจางหายคือคือสลา ในวันที่ฝนวันมา